จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านนะพวกเราถ้าได้ฟังที่หลวงพ่อเทศนะแล้ว เ, เอาไปทำนะไม่นานเราชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนใครมาฟังเรื่อยๆนะหน้าตาคุ้นๆเยเอาแต่ทำบุญอย่างเดียวไม่พอนะทำบุญอย่างเดียวก็ได้ทำทานแล้วต้องถือศีลด้วย ก็มาฝึกจิตฝึกใจด้วยมาเจริญปัญญาบุญของเราถึงจะเต็มลำพังทำส่วนใดส่วนหนึ่งมันมันไม่ครบเงื่อนต้องพยายามหน่อยทำฐานอย่างเดียวไปนิพพานไม่ได้หรอกถือศีลทุกวันพระก็ไปนิพพานไม่ได้นั่งสมาธิเก่งทุกวันทุกวันนั่งได้เวลาหลายชั่วโมงก็ไปนิพพานไม่ได้หรอก ไม่มีทานไม่มีศีลไม่ทําสมาธิก็ไปนิพพานไม่ได้อีกเราสร้างความดีขึ้นมาเป็นชั้นๆเป็นลําดับไปเกื้อกูลให้จิตมันเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นให้มันพร้อมที่จะเจริญสติเจริญปัญญาจิตที่จะเจริญสติเจริญปัญญาได้มันต้องมีศีลมีสมาธิอยู่ในตัวของมัน นี่จุดใหญ่ที่พวกเราภาวนานะแล้วมันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าเราทําสมาธิไม่ถูกสมาธิมีหลายชนิดเราบางทีเรามักง่ายคิดว่าถึงเวลาเราก็มานั่งขาดสมาธิหลับตาหายใจไปเนี่ยสมาธิมันมีอยู่เท่านี้เราคิดอย่างนีนะ้ถ้าคิดอย่างนี้ยั ง, ยงจเจริญปัญญาต่อไปไม่ไหวหรอก สมาธิมีทั้งหลายแบบสมาธิจำนวญมากเลยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางต้องเป็นสมาธิเฉพาะนะเฉพาะของท่านนะถึงจะเจริญปัญญาได้เงี้นพวกเราต้องเรียนเรื่องสมาธิให้ถูกต้องหลวงพ่อมาเรียน จากหลวงปู่ดุล่งปี2526หลวงปู่ก็สอนนะเรื่องอย่าส่งจิตออกนอกคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยก็คือสภาวะที่จิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ไม่ถูกเนี่ยจิตมันออกนอกอีกอย่างเรารู้ลมหายใจจิตมันไหลไปอยู่กับลมหรือเราจุดเทียนขึ้นมาสักเล่มเราก็ดูไปจิตไปอยู่กับไฟ จิตมันออกไปข้างนอกมันลืมตัวเองอย่าสมาธิที่จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องฟองยุบอยู่กับทําจังหวะขยับมือขยับเท้าอะไรก็ตามถ้าจิตมันยังเคลื่อนออกไปมันอยู่ในคําว่าจิตส่งออกนอกที่หลวงปู่ดุลพูดทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะไปเจริญสติเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตต้องไม่ออกนอก จิตไม่ออกนอกก็คือจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีกายก็ไม่ลืมกายมีใจก็ไม่ลืมใจตอนแรกหลวงพ่อมาเรียนจากหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่าออกนอกหลวงพ่อก็จ้องเข้าไปข้างในไม่ให้เคลื่อนออกเลยจ้องอยู่ข้างในแล้คิดว่านี่แหละไม่ออกนอกเราก็คิดว่าโอ้กิเลสมันผุดขึ้นมาจากข้างในเราจ้องเราก็ค้นหา ต้นต่อของกิเลสมันอยู่ที่ไหนเนี่ยพอไม่ออกนอกเราจะได้ค้นเข้าไปข้างในวันหนึ่งนะไปเจอหลวงปู่สิมเขาหลวงปู่สิมพอเห็นหน้านะท่านก็ควักมือเรียกเลยบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกท่านรู้ว่าเราเข้าไปข้างในนะไปหากิเลสฟังทีท่้นต้องงงนะเออหลวงปู่ดุลบอกว่าอย่าออกนอกเราก็อุตส่าห์เข้าข้างใน หลวงปสิมบอกให้ออกมาอยู่ข้างนอกอีกแล้วสังเกตไปสังเกตไปตรงที่จิตเราเข้าไปข้างในนะมันเข้าไปเพ่งอยู่ข้างในจิตออกนอกจิตคือมันเคลื่อนไปจิตมยังเคลื่อนไปอยู่ก็มันนึกได้พระเอศทั้งนั้นต้องอยู่ตรงกลางไม่ไปข้างนอกไม่ไปข้างในต้องรักษาไว้ตรงกลางเนี่ยเคยได้ยินหลวงปู่เทสสอนบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางเลยทำใจให้เข้าถึงความเป็นกลางได้จะพ้นจากทุกข์ทางปวง ไปรักษาใจไว้ตรงกลางฝึกไปฝึกไปนี่เหมันก็ไม่ใช่นี่เหมันก็ไม่ใช่จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไปรักษาอยู่ใจมันจะแข็งแข็งงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเราออกไปข้างนอกไปสนใจคนอื่นไปสนใจสิ่งอื่นก็เรียกจิตออกนอกนะจิตเราถล่มไปจ้องลมหายใจไปจ้องท้องฟองยุบไปจ้องมือจ้องเท้าอะไรเนี้ย จ้องพุทธโธก็ออกนอกเหมือนกันออกนอกจากอะไรออกนอกจากฐานของความรู้สึกตัวนี่ตรงจิตที่อยู่กับความรู้สึกตัวแล้วเรายังไปรักษาเอาไว้เราคิดว่าอยู่ตรงกลางรักษาเอาไว้ก็ผิดอีกค่อยสังเกตไปจิตตัวนี้เป็นผู้รู้จริงนะแต่เป็นผู้รู้ที่แข็งแข็งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีน้ำหนักหนักแน่นแข็งซึมทื่อ รู้เนรู้ตัวอยู่นะแต่รู้แข็งแข็งไม่ใช่เองคอยสังเกตไปเรื่อยนี่ก็ไม่ใช่อีกไปข้างนอกก็ไม่ใช่ไหลเข้าไปข้างในก็ไม่ใช่รักษาเอาไว้ก็ไม่ใช่แล้วที่ใช่เป็นตรงไหนที่ใช่ก็คือสภาวะที่จิตไม่ได้ไหลไปไหลมาโดยที่ไม่ได้บังคับไว้พวกเราต้องฝึกให้ได้นะถ้าเราอยากได้มาผลนิพพานในชีวิตนี้ สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตไม่ไหลไปไหลามานโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นเป็นสมาธิที่พิเศษที่สุดเลยเร้วหลวงพ่อเข้าใจตรงนี้นะจิตมันทรงความรู้สึกตัวอยู่โดยไม่ได้บังคับมันรู้ตัวนะจะยืนเดินนั่งนอนเนะี่ยรู้สึกเลยแล้วมันเห็นร่างกายกับจิตใจเนี่ยแยกออกจากกันอย่างร่างกายเคลื่อนไหวจิตมันเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายอยู่ต่างหากนะจิตอยู่ต่างหาก พวกเราในห้องนี้หลายคนก็แยกได้ลนะหรือเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เนี่ยกับจิตเนี่ยคนละอันกันความรู้สึกสุขก็อย่างหนึ่งนะไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความดีเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรนี่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตอก ความเร็วจะโลบกลดลงอะไรก็ตามนะก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่จิตออกเนี่ค่อยสังเกตเห็นนะอะไรที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตหรอกจิตมันเป็นคนรู้ค่อยสังเกตไปเรื่อยแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายนะมันเกิดด AB ับเกิดดับไปอย่างร่างกายที่จิตไปรู้เข้าในร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าพอจิตเราเป็นคนดูอยู่มันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา จะเห็นเองเลยนะจะเป็นความรู้สึกขึ้นในใจเลยนะโดยที่ไม่ต้องคิดเอาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกคือถ้าใจของเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะปัญญามันจะเกิดในตำรานะถ้าจะบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิอันนั้นต้องเป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกมิจฉาสมาธิอย่างลือีชีพลายธรรมนะพุทธเจ้าจบอกไม่ใช่ทางแค่ไปเพ่งจิตเคลื่อนไปนิ่งอยู่กัอารมณ์มันเดียว ย่งดูลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจจนลมตื้นตื้นตื้นขึ้นมากลายเป็นแสงจิตไปอยู่กับแสงน่างนั้นก็ไม่ใช่จิตตั้งมัน่นจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมอยู่ที่แสงอยู่ที่มือที่เทา้าที่ท้องไม่ใช่จิตตั้งมัน่นสมาธิอย่างนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจิตสงบอย่างเดียวสบายอย่างเดียวปลอดโป่งแต่ไม่สามารถเจริญปัญญาได้จิตที่จะเจริญปัญญาได้นี่ต้องถอยออกมามันถอนถอนตัวออกมานะ ถอนตัวมาเป็นแค่คนดูกายกับใจมันจะแยกออกจากกันความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปจากร่างกายแยกออกไปจากจิตใจกุศลหรือกุศลความลบความโกรธความหลงนะก็แยกออกไปจากจิตใจแยกออกไปหมดเลยแยกออกไปเป็นส่วนๆคําว่าส่วนในภาษาไทยในบาลีใช้คําว่าขันเคยได้ยินคําว่าขันห้าไหมขันห้าก็คือ5ส่วนอย่าไปตกใจกลัวคําว่าขันนะ ก็ภาษาไทยก็คือมันแยกออกเป็น5ส่วนในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่เป็นส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนของความจําได้หมร่รู้ส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วส่วนของความรับรู้คือจิตแต่ละอันแต่ละอันจะแยกออกไปแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองไม่ก้าวไก่กันจิตก็ทําหน้าที่รู้ไป ร่างกายก็ทําหน้าที่ของร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนความสุขความทุกข์ก็ทําหน้าที่ของความสุขความทุกข์เดี๋ยวก็เกิดสุขเดี๋ยวก็เกิดทุกข์ในร่างกายเดี๋ยวก็เกิดสุขเดี๋ยวเกิดทุกข์เกิดเฉยๆในจิตใจเขาก็ทํางานของเขาเองเราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้ความจําได้หมายรู้จําได้บ้างไม่ได้บ้างสั่งมันไม่ได้บางทีนึกแทบตายนึกไม่ออกนะ ความปรุงดีปรุงชั่วอย่างตั้งใจว่าจะไม่โกรธบางทีก็โกรธสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักอย่างสาวสาวนะไอ้หนุ่มมาจีบเอารักเขาปรากฏว่าไปรู้ว่ามันมีเมียแล้วก็ตั้งใจใหม่ว่าไม่รักมันละมาก็ไม่พูดด้วยพอเห็นหน้ามันก็เผลอไปพูดกับมันอีกไปรักมันอีกละเพราะอะไรเพราะว่าใจนี้เราสั่งมันไม่ได้นะ มันจะสุข ห, หรือมันจะทุกข์เราเลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะชั่วเราก็ห้ามไม่ได้นะสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้เนี่ยพอใจของเราเป็นผู้รู้แล้วเราจะเห็นความจริงเหล่านี้ร่างกายก็ทางานของร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งนะต่อไปถ้าชำนาญขึ้นนะร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายตายไม่ใช่เราตายมันไม่ใช่เราอีกต่อไป คนทั่วๆไปพอร่างกายแก่ก็กลุ้มใจในชะ่ตัวของเราแก่เนี่ยถ้าใจของเราเป็นผู้รู้ออกมาได้นะถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ได้จะเห็นว่าไอ้ตัวที่แก่คือร่างกายไม่ใช่เราแก่มไม่ทุกข์เลยคนทั่วๆไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็เป็นเราป่วยเราไม่สบายใจก็เป็นทุกข์อยากให้หายเร็วๆถ้าเราภาวนาเป็นเราเห็นนะใครใครป่วยใครไม่สบายร่างกายมันป่วยมันไม่ใช่เราป่วย ใจมันเป็นแค่คนดูจะรู้สึกว่าใจนี่แหละเป็นตัวเราจะรู้สึกอย่างนั้นหัดทีแรกยังไม่ได้ธรรมะอยู่รู้สึกใจนี่คือตัวเราร่างกายเป็นแค่ของเราขึ้นมาและความสุขความทุกข์ก็แค่ของเราไม่ใช่ตัวเราลบโกดลงก็แค่ของเราไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ยังเป็นตัวเราอยู่ค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งก็เห็นความจริงอีกจิตเองก็เกิดดับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิด เ ด, world, เดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตชั่วเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะตลอดเวลามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีมันก็ไม่ยอมดีสั่งว่าอย่าชั่วมันก็ยังชั่วนะสั่งให้สุขมันก็ไม่ค่อยจะสุขเวลาทุกข์บอกให้มันหายมันก็ไม่หายไม่อยู่ในอำนาจบังคับตรงที่ใจเราถอนตัวออกมานะแล้วเราเห็นความจริงของร่างกายะน มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าการเจริญปัญญาตรงที่จิต it, มันถอยตัวออกมาแล้วมันเห็นความสุขความทุกข์ upgraded, ก, ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่แหละคือการเจริญปัญญาตรงที่มันเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะนี่แหละคือการเจริญปัญญาแล้วสุดท้ายมันจะมาเห็นว่ากระทั่งตัวจิตเองนะก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิิตคด จิตรู้สลับกับจิตคิดเรื่อยๆคนทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่เคยภาวนาจะไม่มีจิตรู้จะมีแต่จิตคิดจิตหลงคิดทั้งวันแต่ว่าพอหัดภาวนามันจะมีจิตรู้ขึ้นมาเวลาจิตมันหลงไปคิดเรารู้ทันว่ามันหลงไปคิดนก็เกิดจิตรู้แต่หัดใหม่ๆยังไม่เก่งนะพอเกิดจิตรู้ตอบมันจะตอบไปที่จิตเพ่งทันทีเลยมันจะบังคับตัวเองทันที อย่างพวกเราเวลาเรารู้ว่าใจลอยนะพอรู้ว่าใจลอยปุ๊บเราจะบังคับตัวเองจะแน่นๆแข็งแข็งกลายเป็นจิตเพ่งเนี่ยจิตจะไปเป็นผู้ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะเราก็ไม่ได้สั่งนะมันเป็นเองจิตรู้มันจะเกิดมันก็เกิดนะมันไม่เกิดสั่งให้เกิดมันก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้จิตจะเพ่งอันนี้แหละซ้อมได้ฝึกได้บางคนเพ่งเก่งเพ่ ง, พงได้เป็นปีๆเลยนะตายไปก็ไปเป็นลม อยู่จนโลกแตกไปก็ยังเพ่งไม่เลิกนะแต่ว่าจะไม่เกิดปัญญานะจิตเพ่งนิ่งอยู่เฉยๆเราต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นจิตรู้ให้ได้นะจิตที่เป็นผู้รู้นี้แหละที่หลวงปู่ดวลได้ว่าจิตไม่ส่งออกนอกจิตที่มันหลงไปคิดเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนะี่ยมันส่งออกนอกมันส่งไปอยู่ในโลกของความคิดส่วนจิตผู้เพง่งมันก็ส่งไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวไปดูลมหายใจจิตมันก็ส่งไปอยู่ที่ลมหายใจ ไปดูท้องจิตมันส่งไปอยู่ที่ท้องจิตมันมีแต่ส่งไปเคลื่อนไปตลอดเวลานะงั้นคําสอนเบื้องต้นของหลวงปู่ดูลเลยนะก็คืออย่าส่งจิตออกนอกแต่จิตนั้นมันจะออกนอกท่านท่านบอกต่อนะว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกท่านบอกอย่างนี้นะท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกแต่เสร็จแล้วท่านก็บอกเองว่าธรรมชาติของจิตมันต้องส่งออกนอกออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจตลอดเวลา แต่คนทั่วๆไปเนี่ยพอจิตออกนอกแล้วไม่มีสติไม่รู้เท่าทันใช้ไม่ได้ก็จะนําความทุกข์มาให้นี่ท่านสอนบอกว่าถ้าจิตออกนอกแล้วให้เรามีสตินะรู้ทันว่าจิตมันไปแล้วจิตออกนอกแล้วเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะเจริญมรรคได้เจริญปัญญาได้เพะฉั้นที่ว่าจิตเดียวออกนอกจิตเดียออกนอกนะไม่ใช่ไปห้ามมันเอาแค่ว่ามันไปแล้วรู้ว่ามันไปอย่างจิตมันจะคิดเรารู้ว่ามันคิดก็ใช้ได้แล้ว หลวงพ่อจะพาให้ดูจิตคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะลองดูสิเอ้าห้ามคิดคิดไหมคิดใช่หห้ามไม่ได้หรอกบางคนนะบอกว่าไม่คิดเลยเนี่ยพอหลวงพ่อบอกไม่ให้คิดกบพุทโธพุทโธพุทโธเลยไอ้พุทโธก็คิดนั่นแหละก็คิดพุทโธ บางคนก็เนี่ยยังคิดไม่หายเลยเนี่ยกูตอะไรเนี่ยกูตมอร์นิ่งอุบลไทยแลนด์เนี่ยนยังหลง <laughs> คิดไม่เลิกเลย น, ะ, นะกลับมารู้สึกตัวให้จิตตื่นขึ้นมานะพอจิตเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเดินปัญญาได้ถ้าเดินปัญญาดูกายนะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราถ้าจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนไว้นะท่านบอกว่าจงทำยานเห็นจิต ให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเวลาตาเรามองเห็นรูปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะเห็นมันมีรูปมันมีตามีแสงสว่างพอมันก็เห็นใช่ไหมเวลาที่เรามองเห็นสมมุติอย่างเนี้ยเราเห็นพวงมาลัยใช่ไหมตาเราเห็นรูปสั่งได้ไหมว่ารูปนี้ห้ามกระดุกกระดิกรูปนี้ต้องนิ่งๆรูปนี้ต้องอย่างนั้นรูปนี้ต้องอย่างนี้ exactly. มันห้ามไม่ได้ รูปที่ตาเห็นนะเราบังคับอะไรไม่ได้แต่มันก็ชั่วคราวนี่มันหายไปแล้วมันก็หายไปแล้วเวลาดูจิตก็เหมือนกันเราจะเห็นเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรนะื่อยๆมันห้ามไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันควบคุมไม่ได้ทุกวันนี้มีคนเอาคําว่าดูจิตของหลวงปู่นะไปเผยแพร่เยอะมากเลยนะแต่มันเพี้ยนไปจากที่หลวงปู่สอนส่วนมากจะไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบ บางคนสอนนะบอกว่าเนี่ยหลวงปู่สอนมาเองเลยบอกให้เพ่งจิตให้ว่างอยู่ภายในนิรันดอนถ้ามีภายในมีภายนอกไม่ใช่ของจริงหรอกยังกลับกรอกอยู่ยังพึ่งพาไม่ได้ไม่ใช่ของจริงของจริงเป็น1หนลวงปู่โ ด, ดนเรียกว่าจิตหนึ่งบางคนเขาบอกว่าคอยปัดความคิดทิ้งแลื่ความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งความคิดเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดกี่ชาติก็ไม่หมดหรอกเพราะจิตมีหน้าที่คิดหลวงปู่ก็ไม่ได้สอนอย่างนั้น หลวงปู่สอนให้เราดูจิตเนี่ยก็คือดูจิตอย่างที่จิตเป็นมันเหมือนดูรูปดูสิ่งที่เรามองเห็นน่อย่างที่มันเป็นไม่ใช่เราไปบังคับมันได้เงั้นตาจะมองเห็นรูปนะหรือจิตจะไปรู้อารมณ์อะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานไปคนที่สอนให้หลวงปู่ดูจิตนะหลวงปู่ดุลท่านก็มาสอนต่อหลวงพ่อเรียนจากท่า น, นอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตนะ บอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลนก็มาดูจิตก็เห็นเลยสังขารจิตนั้นโดยตัวมันไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่จะให้เห็นได้เลยไม่มีร่องรอยนะเราเห็นความมีอยู่ของจิตโดยเห็นผ่านสังขาร หรือจะเห็นผ่านเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ได้นะแต่ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยสอนให้ดูผ่านสังขารมีสัญญากับสังขารอาศัยสัญญาสังขารก็ทํางานอย่างเรานั่งอยู่ดีๆเนี่ยใจเราจําคนนี้ขึ้นมาได้มันผุดหน้าคนนี้ขึ้นมานะมีสัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงเลยอีนี่ชัว่วอย่างน้อยอย่างนี้นะเนี่ยเคยด่าเราเมื่อ20ปีก่อนนะนะีใจมันปลุงต่อเลยนะปรุงโทสะขึ้นมาอาศัยสัญญาผุดขึ้นมานะ ใจก็ปรุงโทสะหรือผุดขึ้นมาใจก็ปรุงราคาได้นี่ก็จะเห็นราคาก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับนี่ไม่เที่ยงราคาจะเกิดก็ห้ามไม่ได้นี่เป็นอนัตตาโทสะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่มันไม่เที่ยงโทสะจะเกิดหรือโทสะจะดับสั่งมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยที่หลวงปู่ดูลเรียนจากหลวงปู่มั่นนะก็เรียนตรงนี้แหละก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายนะเห็น ความเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างนะมันฝุดขึ้นมาคําว่าสังขารเนี่ยคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงชั่วอยู่บ้านก็ปรุงดีนะได้ข่าวว่าวันนี้หลวงพ่อประโมทจะมาก็อยากมาฟังเทศนะพอฟังสักพักหนึ่งปรุงชั่วแล้วอยากกลับบ้านขี้เกียจแล้วนะเนี่ยใจมันปรัปรุงนะห้ามมันไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยดูเข้าไปให้เห็นเห็นของจริงนะไม่ใช่ไปแทรกแซงมัน จะดูจิตก็ดูอย่างที่จิตเป็นอย่าไปแทรกแซงจิตถ้าไม่อย่างนั้นถ้าแทรกแซงจิตไม่เรียกว่าดูจิตหรอกแต่เรียกว่าบังคับจิตอย่างจิตจะคิดก็ห้ามไม่ให้คิดเนี่ยห้ามมันได้อย่างไงจิตไม่ไม่ให้คิดบางคนอ้างหลวงปู่ดูลย์อีกนะบอกว่าหลวงปู่นั่นแหละสอนไม่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ไอ้นี่อ้างมั่วซั่วนะหลวงปู่ไม่ได้สอนแค่นั้นหลวงปู่สอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดนะแต่ละอาศัยคิด เวลาที่เราคิดอยู่เราจะไม่รู้เวลาที่เรารู้เราจะไม่คิดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่อาศัยคิดหมายถึงว่าพอเราคิดเรื่องนี้เกิดราคาขึ้นมาเราก็รู้ทันเราก็จะเห็นว่าราคาเกิดขึ้นแล้วโช่วคราวก็ดับไปหรือราคาจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ราคาเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปถึงเวลามันก็ไปของมันเองนี่เป็นอนัตตาคิดเรื่องนี้ไปเราเกิดโทสะคิดเคยไหมคิดถึงคนนี้เราโกรธขึ้นมาให้คิดถึงคนนี้เราโกรธ แล้วก็รู้ทันความโกรธเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีนะแล้วมีอยู่ชั่วคราวแล้วไม่ก็หายไปนี่มันไม่เที่ยงความโกรธจะมีแต่เมื่อมีเหตุเหตุของความโกรธก็คือการที่เราคิดไปในทางไม่ดีนะพอเรายังคิดในทางไม่ดีอยู่นะโทรศาท ก, ก็ยังเกิดอยู่พอเราเลิกคิดในทางไม่ดีเรามารู้สึกตัวขึ้นมาเราไม่ลงไปคิดว่าเขาแล้วโทรศก็ดับเพราะเหตุของมันดับ เนี่ยที่ลงปู่ดุลเรียนจากหลวงปู่มั่นนะคือการดูจิตอย่างนี้นะอย่าไปมั่วสั่วว่าดูจิตก็คือไปเพ่งจิตจ้องใส่ตัวจิตหลวงพ่อเคยผิดนะเคยทําผิดเมื่อเรียนจากหลวงปู่ครั้งแรกนะหกกุมภาพันห้าร้อยย่าท่านบอกให้ดูจิตพนะอท่านให้ดูจิตเราก็ไปดูดูนะจนกทั่งตัวรู้มันเด่นขึ้นมาโอ้ตัวนี้ตัวเก่าตอนหัดนั่งสมาธิมาแต่เด็กมันก็เข้ามาที่ตัวรู้นี่เองนะจิตมันเป็นผู้รู้อยู่นี่เอง พอถึงตัวนี้แล้วก็คอยรักษาไว้นะถ้าจิตไหลไปจับอารมณ์นะก็ดูปั๊บขาดเลยลกลับมาตั้งมั่นเด่นดวงอยู่างเงี้ยกลับมารายงานหลวงปู่หลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นละเนี่ยดูได้ทั้งวันเลยหลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยนี่แทรกแสงจิตแทรกแสงอาการของจิตจิตจะคิดก็ไม่ให้หมันคิดนี่เป็นการแทรกแสงจิตให้ไปดูเอาไปดูใหมนะ่ท่านสอนอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ท่านก็เทศเรื่องจิตคือพุทธะให้ฟังเทศอีกยาวเลย เราฟังอะไรของหลวงปู่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยนะสุดท้ายถามท่านบอกหลวงปู่ครับที่หลวงปู่สอนมายาวเนี่ยผมดูจิตไปเรื่อยๆอย่างเดียวเนี่ยพอไหมท่านบอกเออดูจิตแค่นั้นก็พอแล้วล่ะพระธรรมแปดหมพันพระธรรมอคันก็ออกมาจากจิตดวงเดียวนี่เองเออกมาจากจิตนี่เองถ้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจมันก็เข้าถึงธรรมเท่านั้นเองนะธรรมเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็อยู่ที่จิตนี่แหละ ทั้งที่กุศลทั้งที่อม ก, กุศลทั้งที่พ้นจากกุศลและอกุศลไปนะมันทำไฟโลกุตระเวลาไปดูจิตก็คือดูเขาทางานจิตมันทำงานยังไงเวลาตาเรามองเห็นจิตมันก็เปลี่ยนใช่เราเห็นดอกไม้สวยจิตมันชอบเห็นหมาขี้เรื้อนจิตมัน ก, กลัวว่ามันจะมากัดเราหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมาหาเนะี่ยกลัวเราก็รู้ว่ามันกลัวรู้แล้วทำยังไงหลบนะ อย่าโ ง, ง่ยืนขวางนะผมแล้วแต่เวียนแต่กรรมนี่อุเบกขาไอ้นี่อุเบกขาผิดชนิดนะแล้วหมามันจะกัดขาเอาถือว่าโ ง, ง่แหละยืนขวางหมาบ้าหนึ่นะง้ามีสติมีปัญญารักษาตัวให้รอดได้ตามองเห็นสาวหรือเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบนะจะเห็นว่าความชอบมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหรืออย่างพระไปบินธบัดเดินไปมองไปที่ถนน มีแต่สุญญตาไม่มีคนใส่บาตรเลยว่างเปล่านะใจแป้วเลยวันนี้จะได้กินข้าวไหมเนี่ยเดินะเดินไปเห็นโยมรอใส่บาตรดีใจเนี่ยความดีใจผุดไหมตามองเ ห, มม เ, นะ เ, มเห็นความดีใจผุดขึ้นมาถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเห็นความดีใจผุดขึ้นมาถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติก็จะรีบไปเลยกลัวคนอื่นแย่งนะพวกเราอยู่ในชีวิตประจวั น, เ, นเราค่อยสังเกตใจของเราใจมันจะเปลี่ยนตลอดเวลา เปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงอย่างเราได้ยินเสียงคนบางคนเราเกลียดเคยมีไหมได้ยินเสียงก็เกลียดแล้วบางคนได้ยินเสียงมันก็ชอบมาแล้วทั้งเื่องที่ตัวจริงมันร้ายมากหรือได้ยินคำชมนะเราก็พอใจได้ยินคำด่าเราไม่พอใจเดินๆอยู่ได้ยินเสียงคนด่ามาข้างหลังไอ้บ้าด่าชื่อพ่อเราด้วยสินะเราก็โมโหใจมันโมโหเรารู้ว่าโมโหนะ หันกลับไปตามองเห็นอ๋อนี่เพื่อนซีกันมันทักทายด้วยความรักนะมันเรียกชื่อพ่อนะมันทักทายด้วยความรักความโกรธดับทันทีเลยนะกลายเป็นว่าดีใจเจอเพื่อนซีให้รู้ว่ากำลังดีใจอยู่เนี่ยการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยนะการดูจิตดูใจของเราเนี่ยตามองเห็นจิตมันเปลี่ยนให้มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมันเปลี่ยนให้มีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนนะอย่างเวลาเรา อยู่บ้านเราอย่างเงี้ยได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะเราก็รู้สึกหนูมาตายในบ้านเรามั้งเราจะกังวลใจกังวลใจความกังวลเกิดขึ้นเรารู้ว่ากังวลนะกลิ่นแบบเดียวกันนะถ้าไปเน่าๆอยู่ที่วัดนะมืดๆได้กลิ่นเน่าๆมาไม่คิดถึงหนูตายนะคิดถึงผีนะเราคิดคิดถึงผีคนไทยได้เอาผีกับศพไปปนกันนะจริงๆกลัวศพเขาเลยไปโมเมว่าผีเหมือนศพจริงๆผีไม่ผีเหมือนพวกเรานี้ก็มีนะสวยกว่าเราก็มีนะ เนีพอจมูกได้กลิ่นนะใจมันก็เปลี่ยนกลัวก็มีนะเกลียดก็มีนะกังวลใจก็มีลิ้นได้รสใจก็เปลี่ยนนะกินของอร่อยพอใจนะกินของไม่อร่อยไม่พอใจหรือกินของอร่อยแหละแต่มันมีเยอะกินคําแรกพอใจมากกินคําต่อๆไปนะีความพอใจค่อยๆลดลงลดลงนะสุดท้ายเอียนมากเลยไม่อยากกินแล้วอยากมาให้เห็นอีกนะไอ้ของนี่เบื่อเต็มทีแล้วเห็นไหมกลายเป็นไม่พอใจไปแล้ว เนี่ยให้เรารู้ทันที่ใจอย่างนี้นะลิ้นได้รสใจเป็นเป็นยังไง ร, รู้ทันนะตาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจเราเป็นยังไงเช่นอยู่อยู่ยุงกัดเจ็บขึ้นมาแปบบ๊บหันไปเจอยุงนะเกลียดมากเลยต้องตีให้ตายนะใจมีโทสะ ข, ขึ้นมาหรือตกใจเดินเดินอยู่มันเสียแปบบ๊บน้นมายุงมันมันเจาะแขนเราใจมันตกใจขึ้นมา หันไปดูรู้ทันว่าใจตกใจแท้จริงการดูจิตไม่ใช่เรื่องยากนะหรืออย่างเวลาใจเราคิดจิตก็เปลี่ยนตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดจิตก็เปลี่ยนคิดถึงเรื่องนี้มีความสุขคิดถึงเรื่องนี้มีความทุกข์คิดถึงเรื่องนี้พอใจคิดถึงเรื่องนี้นนไม่พอใจนี่ให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนี่คือการดูจิตที่จะเป็นขั้นเจริญปัญญานะ แต่ว่าเราจะดูจิตในขั้นเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตส่งออกนอกไปแล้วเนี่ยจะไม่เห็นอย่างถ้าจิตเราหลงไปคิดอยู่เนี่ยเราจะมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะจะมาดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้หรือถ้าเราจิตมันส่งออกนอกไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยจะมาดูจิตดูใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยนะต้องไม่มีจิตออกนอกมีจิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สบายๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละ แล้วก็ให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจนกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติพอกระทบอารมณ์ไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้ไม่ใช่เพื่อเลือกเอาดีไม่เอาชั่วนะรู้ไม่ใช่เพื่อเลือกเอาสุขไม่เอาทุกข์เราไม่เลือกนะเราต้องการรู้เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป งั้จำไว้ให้ดีนะเราหัดดูจิต ด, ดูใจเนี่ยไม่ใช่ดูเพื่อจะไล่ความทุกข์ออกไปไม่ใช่ดูเพื่อไล่ความฟุ้งซ่านออกไปนะไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาคุณงามความดีอะไรเราดูเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นเองว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะความสุขมาแล้วก็หายความทุกข์มาแล้วก็หายนะความดีมาแล้วก็หายโรคกรดหลงเองมาแล้วก็หายความสุขทุกข์อะไรก็าหายหมดนะดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ การที me, CDU, ่เราพาจิตให้ดูความจริงในจิตในใจเราจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอะไรมาก็เกิดแล้วก็ดับไปอะไรมาเกิดแล้วก็ดับไปนีสุดท้ายใจมันจะเกิดปัญญานะที่เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรพิลึกพิลั่นอะไรมากมายนหรอกพระโสดาบันเนี่ยคือท่านที่พาจิตมันไปดูความจริงจนจิตมันยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา ไปเห็นธรรมดาของมันธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็คือความดับเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นใจมันยอมรับตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันยอมรับความเป็นธรรมดานะนี้พอเราได้โสดาบันใจมันรู้ว่าความจริงนะสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราวมาแล้วมันก็ไปเป็นธรรมดาใจมันมาถึงตรงนี้เนะี่ยต่อไปเวลาความสุขมาเนะี่ยใจไม่หวั่นไหวนะไม่หลงระเริงรู้ว่าอยู่ชั่วคราว เวลาความทุกมานะใจไม่เศร้าหมองรั่วอยู่ชั่วคราวไม่มีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยตรงที่เห็นชีวิตเป็นของชั่วคราวได้นะความยึดถืออะไรมันจะค่อยๆลดลงนะการเจริญปัญญาต่อไปนะเราก็ค่อยๆดูไปเบื้องต้นนะไม่ว่าเราจะดูกายหรือดูจิตนะมันจะไปรู้แจ่มแจ้งที่กายก่อนนะถึงจะดูจิตหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนเนี่ยสตาร์ด้วยการดูจิตไม่ได้ดูกาย แต่เวลาเราดูจิตอย่าที่หลวงพ่อบอกวิธีดูใช่ไหมตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายก็ชอบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นอะไรมันก็เป็นร่างกายนั่นเองเป็นส่วนของร่างกายเพราะเรารู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนั่นแหละไม่ใช่รู้เฉพาะจิตอย่างเดียวนะเพราะนั้นที่ว่าดูจิตดูจิตเราไปจ้องอยู่ที่จิตนั่นคือการเพ่งจิตใช้ไม่ได้หรอกนะถ้าดูจิตเป็นเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกหลวง พรกไซด์พกกว่ารู้ทั้งคืนเลยนะออกระดูกกระดิกอะไรรู้หมดเลยแต่สั่งร่างกายไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันหลับคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็นอนประมาณ2ชั่วโมงแล้วจิตเนี่ยถอยชั่วโมงกว่ากว่าสชั่วโมงจิตก็ถอยออกมามรู้สึกตัวอยู่สบายทําสมาธินอนตัวเห็นร่างกายมันนอนไปไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินทําอะไรหรอกค่อยฝึกนะากายเราก็รู้จิตเราก็รู้ไม่ใช่รู้แต่จิตอย่างเดียวหรอก นั้นภาวนาไปสุดท้ายมันจะเห็นนะปัญญ า, าเบื้องต้น Thompson มันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตรงที่จิตไม่ใช่เราเนี่ยสโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วรู้อะไรทุกอย่างมีแต่เกิดระดับทุกอย่างมีแต่เกิดระดับไม่มีอะไรเป็นตัวเราเนี่ยคือภูมิธรรมพสดาปันหลังจากนั้นดูต่อไปอีกนะมันจะเห็นแจ้งที่ตัวกายจะเห็นในร่างกายนี้เป็นตัวอะไรร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ นอนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนะยืนอยู่ก็ทุกนอนทุกไหมใครนอนไม่ทุกบ้างมีไหมลองเป็นอมภภาพดูสิอนอนนอนแล้วต้องพลิกไหมกลางคืนทําไมต้องพลิกไปพลิกมาก็เพราะมันทุกมาถึงต้องพลิกตัวใช่หไหมขนาด น, นอนที่ว่ามีความสุขนะถ้ามีสติมีปัญญาจริงๆนีจะไม่เสพสุขกับการ น, นอนละเพราะนอนก็เป็นทุกไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยมีแต่ทุกทั้งนั้นเลย เนีปัญญามันแก่รอบเข้ามานะร่างกายนี้มีทุกบีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกนะหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกนะแต่ตัวนี้ละเอียดสติเราต้องไหวจริงๆเราจะเห็นลองหายใจเข้าซิดูซิว่าสุขหรือทุกหายใจเข้านะอย่าออกนะทุกไหมเราต้องรีบหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกใช่ไหม าหายใจออกไปแก้ทุกข์ให้สบายไปหายใจออกอย่าหายใจเข้านะทุกข์ไหมเนี่ยเราความทุกข์นะบีบคั้นเราอยู่ทุกๆ์ทกอีริยาบถบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เคยเห็นเพราพ อ, พ อ, พอความทุกข์มาถึงตัวนะเรารีบขยับแนละ้วนั่งอยู่เมื่อยขยับขยับไปขยับมานะหรือขยับไปมากพี่ยังไม่หายเมื่อยนะต้องลุกขึ้นเดินนะเดินมากๆก็เ ม, มื่อยลงนั่งนั่งมากๆเ ม, มื่อยเกินไปแล้วลงนอน หนีทุกข์ไปเรื่อยๆต่อไปนี้นะถ้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นในร่างกายอย่าเพิ่งขยับนี้มันรู้สึกสะก่อนว่าโอ้มันทุกข์แล้วนะแล้วค่อยขยับค่อยๆเรียนไปนะจะเห็นในร่างกายนี้ทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีหรอกร่างกายที่มีความสุขถ้าวันใดปัญญามันแจ้งนะร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะถ้าเห็นถึงตรงนี้นะมันจะสลัดร่างกายทิ้งเลยนะจะเหวี่ยงทิ้งเลย จะกระเด็นออกไปจากจิตเลยนะจิตจะไม่จับร่างกายโดยที่ไม่ต้องรักษาอีกแล้วสลัดคืนร่างกายให้โลกไปเลยถัดจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติมันจะรวมวงของมันเข้ามาที่จิตดวงเดียวนี่เองหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าวันหนึ่งอะนั่งอยู่กับท่านท่านก็ปลาลบขึ้นมาบอกว่าเออเราพิจารณาแล้วนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นระดับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่อไรอย่นะางนี้นะเป็นผีใหญ่ ผี่ใหญ่คือเป็นพรหมผ้าหนักขาที่เป็นพรหมอนาคขาเนี่ยนะเพราะว่ายังยึดถือจิตอยู่ยังยึดถือจิตอยู่ดวงเดียวเนี่ยนะก็จะไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาได้อีกจิตเหมือนเมล็ดผลไม้นะยังมีเหมือนเมล็ดมะม่วงมีเมล็ดมะม่วงอยู่เมล็ดเดียวนะ เ, ะเอาไปเพาะไว้นะมันงอกมะม่วงอีกต้นหนึ่งขึ้นมาออกลูกออกหลานได้เยอะแยะเลยจิตดวงเดียวนี้ยังมีเชื้อเกิดอยู่นะมันจะไปงอกขันห้างงอกกายงอกใจขึ้นมาได้อีก พาเวียนไหว้ตายเกิดไปได้อีกเราต้องทำลายเชื้อเกิดข้างในเหมือนทำลายให้ต้นอ่อนของในเมล็ดมะม่วงอีกทีนะึงนะเหมือนแหวะเข้าไปในเมล็ดนะตัดต้นอ่อนมันออกไปคราวนี้เอาเมล็ดนี้ไปปลูกไงก็ไม่ขึ้นละแต่ว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะรักษาเมล็ดมะม่วงอันนี้จะพวงแผนมากเลยเพราะตัวจิตผู้รู้นี่แหละที่เราฝึกที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราต้องมีจิตผู้รู้นี่แหละอาศัยจิตผู้รู้นะมาเจริญปัญญามาเรื่อยๆเลยจนจิตจิตผู้รู้เองมีแต่ความสุข เสร็จแล้วมันเลยไปติดตัวนี้มันคิดว่าตัวผู้รู้เนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้ไม่ได้มีความเฉลียวใจคิดนะว่าตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้เองก็เป็นอนัตตาไม่ได้คิดไม่ได้เฉลียวใจหลวงพ่อว่ามาหาหลวงปู่ครั้งสุดท้ายนะวันก่อนท่านมารณภาพนะ36วันก่อนท่านจะมรณภาพมากราบท่านครั้งสุดท้ายมานะบา ย, บายนะ ท่านสอนไปด้วยนะสอนจกนกระทั่งคำแนละ้วท่านหอบเนี่ยหอบหอบหอบนี่นะเราก็สงสารหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับลาละท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้ เออจำไม่นะท่านว่าอย่างนี้นะหลวงปู่ชอบเออเหมือนกันนะเออจำไม่นะท่นว่าอย่างนี้ครับครับจะจำก็กราบลาท่านไปนวันรุ่งขึ้นไปโคราชแม่กราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็ถามว่านักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจริตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกเลยว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตให้พูดช้าชานะ หลวงพ่อจะพูดเร็วแบบรถ ด, ด่วนหลวงพ่อพูดแค่พูดเนิบๆท่านบอกว่าเนี่ยคือสุดยอดของกรรมฐานนะคือสุดยอดของกรรมฐานการทำลายผู้รู้หรือการทาลายจิตเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายตัวมันนะแต่หมายถึงว่าไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือจิตนะนไม่ยึดถือจิตนั่นแหละที่เรียกว่าทำลายผู้รู้นะแล้วท่านก็บอกเลยคุณกับอาตามามาทำกติกาตกลงกันนะใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันท่านว่าอย่างนี้นะ แล้วก็โอ้เราจะไปทำลายได้ไงเราหัดภาวนาไม่นานจนกระทั่งผ่านมาหลายปีนะหลวงพ่อพุธก็เป็นมะเร็งนัานก็เป็นหลบหลบซ่อนๆหาตัวท่านยากมากเลยวันนึงท่านไปเทศที่หลวงพ่อทํางานอยู่วง์การโทรศัพท์ก่อนท่านมรณภาพไม่นานพอท่านเทศเสร็จก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อหลายปีแล้วแล้ท่านหาตัวท่านไม่เจอไม่อยู่วัดหรอก ท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้ท่านก็พูดอย่างห้าวหาญเลยนะท่านโอ้โหผงาดแบบเต็มภูมิเลยนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อรุกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองการทําลายผู้รู้นะั้นมันเป็นเองนะ แต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันขาดอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้มันขาดอะไรเวลาพอนานนะบาที่ปล่อยวางจิตลงไปวางแป๊บเดียวก็หยิบขึ้นมาอีกแล้วเชิญบวชแฟพรรษาแรกนะเอาพรรษาแล้วนึกถึงหลวงปูส่สุวัตโอ้ท่านใกล้จะสิ้นแนละ้วรีบมากราบท่านก็เล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูนะผมก็วางลงไปท่านเออนะแล้วผมก็หยิบขึ้นมาท่านบอก ถ้าอย่างนี้เลยนะไปเอามาทําไมปล่อยมันทิ้งไปเลยไม่มีอะไรหรอกท่านว่าอย่างนี้นะก็จิตมันปล่อยไม่ได้ถ้าจิตมันสั่งได้เราก็สั่งเลยจงเป็นพระอรหันต้องสั่งสิมันหันซ้ายหันขวามันไม่เป็นหรอกมันจะทําลายผู้รู้ได้นะแต่เมื่อมันรู้แจ้งอริยสัจมารู้แจ้งอริยสัจและในขั้นนี้อริยสัจอันนี้คืออริยสัจแห่งจิต เคยได้ยินคาว่าอริยศาสตว์แห่งจิตั้มมาวัดบุรพารามไม่รู้จักอริยาสตร์แห่งจิตถือว่าเหลวไหลอย่างร้ายแรงนลวงปู่ดูลนี่แหละสอนอริยศาสตว์แห่งจิตจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธตรงที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนี่แหละทลายอวิชชาลงไป จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือมันรู้ความจริงแล้วว่าตัวผู้รู้เนี่ยตัวจิตเนี่ยแหะไม่ใช่แค่อารมณ์นะจิตเห็นจิตนะไม่ใช่จิตเห็นอารมณ์จิตไปเห็นว่าโลภเกิดแล้วโลภดับโกรธเกิดแล้วโกรธ ด, ดับสุขเกิดแล้วสุขดับทุกข์เกิดแล้วทุกข์ดับเนี่ยยังไม่เรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งตรงที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนคือมันเห็นแจ้งขึ้นมาว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์เห็นจิตเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์แล้ว3ามโลกธาตุนี้จะหาตัวสุขอีกไม่ได้เลย เพราะว่าไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนก็มีจิตยื่นมาอีกนะจิตมันเป็นตัวทุกข์ซะแล้วนะเพราะงั้นมันจะเกิดไม่ได้ละงั้นที่หลวงปู่ดนบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักเนี่ยท่านพูดแบบออมๆไม่หรอกถ้าพูดเต็มยศนะให้ตรงกับสภาวะนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหันตมักนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือจิตเนี่ยรู้แล้วว่าจิตผู้รู้นี่แหละเป็นตัวทุกข์ เมื่อไรเห็นทุกข์ใช่หไหมเมื่อนั้นละสมูทยัยหมดความยึดถือเลยหมดความอยากนะเมื่อไรละสมูทยัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธนะสัมผัสทนิพพานเต็มฟูมิเลยนะในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคที่ท่าว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้แจงเป็นมรรคงั้นเะมื่อขณะที่จิตรู้ความจริงว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์ในขณะนั้นแหละอรหัตตมรรคจะเกิดขึ้นนะถัดจากนั้นน่ยสภาวะนะจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โรคนะมัเวียงทิ้งเลยนะ <ctor> ไอ้จิตของเราอย่างที่เป็นจุดเป็นดวงมีขอบ ม, มีเขตมีที่ตั้งเนี่ยจะกระเด็นออกไปเลยนะจิตจะแปลสภาพไปอีกแบบหนึง่งหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้สมเด็จพระญานสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุอันเดียวกันหลวงปู่เทศเรียกว่าใจคือสภาวะอันเดียวกันเป็นจิตซึ่งบริสุทธิ์แล้ว งั้นพวกเราเวลาอ่านหนังสือเรื่องจิตคือพุทธะเนี่ยห้ามเมา่นะบางคนบอกปฏิบัติตามแนวจิตคือพุทธะปฏิบัติไม่ได้จิตคือพุทธะหรือจิตหนึ่งเนี่ยมันคือจิตพระรหันต์เป็นผลแล้วนะจิตหนึ่งนี้ไม่มีการไปไม่มีการมานะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวนีนี่จิตพระรหันต์เราไม่มีหรอกงั้นไม่ต้องไปดูหรอกไม่มีเพราะเรามีแต่จิตโลภจิตโกรธจิตหลงเราดูของที่เรามีนี่นะ เพราที่หลวงปู่ท่านสอนถึงจิตคือพุทธะเนี่ยนะถ้าเราภาวนาไปสุดจิตแล้วเราถึงจะเข้าใจจิตที่คือพุทธะจิตของเราไม่ใช่พุทธะหรอกจิตของเรายังเป็นมารอยู่นะจิตของเราเชื่อมาร น, นะเชื่อกิเลสระหว่างเชื่อพระกับเชื่อกิเลสนะวันหนึ่งวันหนึ่งเชื่อใครเยอะกว่ากันนะเ <c oughs> นะฉะนั้นเราไม่ใช่จิตคือพุทธะหรอกเราจิตมาร น, นะจิตมันยังมีกิเลสอยู่นะค่อยภาวนานะ ที่แรกพอนาไปนะพอใจมันสำรักอวิชชาออกนะันดับอวิชชาเวจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเลยจะรู้เลยจิตกับธรรมนี่เป็นอันเดียวกันจิตกับธรรมะนี่เป็นอันเดียวกันนะแล้วพอเราลึกถึงพุทธเจ้านะเราลึกถึงพระปัญญาที่คุณสาวกไม่มีไม่ใช่อันเดียวกันเราลึกถึงมหากรุณาที่คุณพุทธเจ้ามีมหากรุณาสาวกไม่มีไม่ใช่อันเดียวกัน เราเรื่อถึงบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้านะจิตของสาวกกับจิตของพระชาจะรวมเปน็นอันเดียวกันเลยนะเป็นาธาตุเดียวกันนะคือาธาตุบริสุทธิ์นั่นเองเป็นธรรมาธานตะุเป็นาธาตุเดียวกันเราะนั้นที่หลวงปู่ดุลบอกพระพุทธเจ้ากี่แสนกี่ล้านพระองค์นะลงมาที่จิตจิตหนึ่งนี้ดวงเดียวกันนั่นเองนะจิตจะรวมลงที่เดียวกันหมดรวมลงที่ความบริสุทธิ์นั่นเองงั้นสิ่งที่หลวงปู่ดูลสอนนี่นะ รั น, นี่ลึกซึ้งสุดๆเลยนะจะหาครูบาอาจารย์ที่สอนได้อย่างท่านเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยเจอหลวงพ่อไม่เคยเจอนะท่านสอนตั้งแต่เบสิกเลยถ้าต่ํากว่านี้นะต่ากว่าอย่าส่งขีดอนอกคืออย่างพวกที่ไม่มีสมาธิเลยนะท่านก็ให้หัดพุโทโธไปพุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตนี้ไปเรารู้พุโทโธพุธโทโธจิตนี้ไปเราก็จะได้จิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นขึ้นมามา ไ, ได้จิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นแล้ว บางคนหลวงปู่ก็สอนให้ดูกายบางคนท่านก็สอนให้ดูจิตอย่าหลวงพ่อสุจิต น, นะแต่เดิมไปรูกศิษย์หลวงปู่หลุยดูกายมาก่อนนะมาบวชท่านเป็นอุปชาสบวชให้ท่านก็สอนต่อบอกว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตดูกายต่อไปนั่นแหละนะจนกายมันสลายหมดนะเหลือจิตดวงเดียวก็มาดูจิตต่อนะอย่าหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ดูเข้าที่จิตเลยไม่ได้ดูกายเคยถามท่านนะบอกว่าหลวงปู่ครับผมไปวัดโน้นวัดนี้นะได้ยินครูบาอาจารย์ วาดอื่นๆ น, นะสอนญาติโยมทั้งหลายนะสอนให้ดูกายทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครสอนดูจิตเลยผมจะต้องไปดูกายไหมผมจะต้องย้อนไปดูกายไหมถามหลวงปู่อย่างนี้นะหลวงปู่หันมามองด้วยความแปลกใจถามอะไรโง่ขนาด น, นี้นะแต่ท่านไม่ว่าดอกนะหลวงปู่ไม่มีโทษทางวาจาไม่ว่าไม่ค่อยพูดหรอกแต่เวลาท่านเหน็บนี่เจ็บจริงๆนะเช่นถ้าพวกนักปฏิบัตินไปขอเหรียญท่านนะ ท่านมีเหรนแจกนะชาวบ้านมาเนี่ยท่านแจกหน้าตาเฉยเลยถ้าเราภาวนาแล้วไปขอนะท่านก็จะบอกว่าภาวนามาถึงขนาดนี้ยังไม่หายโง่อีกเหรออู้แสบไหมเราไม่ได้ด้วยสิถ้าอยากได้ต้องไปขอพระอุปถากอะไรนั่นนะหลวลงปู่นะหลวงปู่ก็มองแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าที่เขาดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม ถ้าเข้ามาถึงจิตแล้วนะจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งได้นี้นะกายนี่เรื่องเล็กเลยพะจิตเราเด่นดวงออกมากายมันก็กเด็นออกไปแล้วนะไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองง่ายจะตายนะขอให้ใจมันมีกำลังของสมาธิพอแนละ้วมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามนจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแล้วแค่นั้นเองแล้วมันจะเห็นจิตนะนะั่นแหละทำงาน กุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตทําทั้งหลายจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยจิตนี่เองงั้นเรามาฝึกนะไหนๆก็มาวัดบูรณเรียนธรรมะของหลวงปู่ดูลแล้วเรียนให้ถึงจิตถึงใจฝึกนะอย่าให้จิตดอกนอกจิตแอบไปคิดไหมเวลาจิตไปคิดนั่นแหละจิตดอกนอกจิตไปจ้องลมหายใจเอาทุกคนลองจ้องลมหายใจซิจิตไปอยู่ที่ลมไหม นี่แหลจิตออกนอกนะถนัดนั่งสมาธิจิตไม่ไปไหนเลยก็อย่างจิตของนอกให้คาพูดของหลวงปู่เนี่ยลึกนะไม่ตื้นเลยในี่พอจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วถ้าจะดูจิตเนี่ยนะก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเหมือนตาเรามองเห็นรูปตาไม่สามารถบังคับรูปได้นะจิตเราก็ไม่ไปบังคับความรู้สึกภายในความรู้สึกอะไรเกิดเราก็รู้เอาเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแลดับทุกอย่างเกิดระดับนี่คือการเจริญปัญญานะ สุดท้ายเนี่ยมียานเห็นจิตมันตาเห็นรูปนะจนกระทั่งปล่อยไปเรื่อยปล่อยกานะสุดท้ายมันจะมาเห็นที่จิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่านี้แหละคือตัวทุก์ตัวพ่อตัวแม่ของตัวทุกก็คือตัวจิตผู้รู้นี่แหละหลวงตามหาบัวท่านถึงเรียกตัวจิตผู้รู้ว่าจิตเอาวิชาตัววิชาซ่อนอยู่ที่นี่งั้นพวกเราพยายามศึกษานะพยายามศึกษาเข้าแล้วก็พอนาไป รักษาคําสอนของหลวงปู่ไว้ให้ได้นะคําสอนของท่านพิเศษที่สุดนะดีที่สุดเลยรอบครอบรัดกลุ่มที่สุดไม่มีใครเหมือนเลยนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเราจะเข้าใจทุกสิ่งที่ใครๆต่อใครๆสอนเราไปฟังครูบาอาจารย์อื่นปุ๊บเรารู้เลยว่าใช่ไม่ใช่นะมายุคนี้ลําบากนะครูบาอาจารย์ไม่ค่อยมีแล้วนะสมัยหลวงพ่อมาภาวาหลายสิบปีก่อนนะ ออกจากวัดนี้ก็เจอออกจากวัดนี้ก็เจอนะครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยสุรินทร์ก็มีตั้งหลายองค์หลวงปู่สามก็ยังอยู่มีตั้งหลายองคนะ์มายุคนี้ก็ไม่มีแล้วล่อยต่อไปเรื่อยๆงั้นเราพยายามเรียนคําสอนของครูบาอาจารย์ไว้ให้ดีแล้วก็ไปภาวนาพอเราเข้าใจธรรมะแล้วเราก็เป็นผู้รักษาสืบทอดธรรมะของครูบาอาจารย์เอาไว้จริงๆก็ไม่ใช่ของครูบาอาจารย์ธรรมะอันนี้หลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่โดนมา เอาเข้าจริงๆก็ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองที่ครูบาอาจารย์รับสืบทอดกันมาพวกเราต้องรับสืบทอดต่อไปนะตั้งใจไว้ให้ดีอย่าให้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันจบสิ้นลงในยุคของเรานะต้องส่งทอดต่อไปให้ได้นะไปจบยุคหน้าก็เป็นเรื่องของคนยุคหน้าแล้วแต่เราต้องพอนาให้เรารู้แจ้งเห็นจริงนะเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆเลยแล้วเราถ่ายทอดธรรมะออกไปแต่ถ้าเรายังไม่แจ้งเราอย่าเพิ่งไปถ่ายทอดนะ เราจะไปถ่ายทอดอาธรรมแทนไม่ใช่ถ่ายทอดธรรมะหรอกไปพาคนอื่นเขาหลงผิดด้วยอย่างทุกวันนี้สอนดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูจิตหรอกสอนเพ่งจิตทั้งนั้นเลยสอนดูจิตนะดูจิตอย่างที่จิตเป็นเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยตาไม่ได้บังคับรูปสักหน่อยไปฝึกนะฝึกเอาไม่ได้ยากนัดหรอกสู้ไหวไหมสู้ไหวหรือสู้ไม่ไหวไม่สําคัญนะสําคัญที่ต้องสู้นะถ้าเป็นนักสู้แล้วนะแพ้ ไม่เสียชื่อนะยังไม่ทันสู้ก็ยอมแพ้แล้วพวกพวกทระดับ LT พวกหลอยถ้ว <c> ย <oughs> พวกแมวไหนนะพอสมควรแก่เวลานะบางคนสงสัยไม่ส่งกันบ้านหลวงพ่อประโมทสอนไหไ่แปลกๆที่จริงไม่แปลกสมัยก่อนหลวงพ่อมาเรียนจากหลวงปู่หรือเรียนจากครูบาจารย์นี่นะท่านไม่เทศให้ฟังหรอก เราเป็นสวงกันบ้านต่างหากน ะ, ะ, ะ, ะมาถึงก็ไปบอกท่านเราภาอนาอย่างนี้ท่านสอนไว้อย่างนี้เราทําอย่างนี้มีผลอย่างนี้าการพนักสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะหนูปฏิบัติคือในรูปแบบก็คือจะดูลมหายใจนะคะแล้วก็จะปฏิบัติก็คือตอนกลางคืนนี่จะสวดทุกวันออทําวัดเย็นถ้าเป็นวันพระก็จะเป็นตอนเช้าเพิ่มอีก บ, กบอกอ้าง เวลารู้ลมหายใจเนียอย่าไปรู้ลมหายใจให้รู้ร่างกายที่หายใจถ้าเรารู้ลมหายใจนะจิตเราจะทรงออกนอกไปอยู่ที่ลมแล้วมันจะเคลิมๆเหมือนอย่างเนี้ยค่ะใจมันจะนิ่งๆความสุขหลงพ่อหนูอุเบกขาเกินไปด้วอเปล่าเนี่ยนี่ติดอ่ะติดติดเพ่งติดเสงอมาสิเอาหม่ต่อไปนี้ลองหายใจแล้วรู้ที่ลมหายใจซิลอง หายใจแล้วรู้รู้ตัวลมหายใจจําจิตตรงนี้ไว้นะเลิกลืมตรงนี้ไปยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานๆหันไปยิ้มก่อนเออเนี่ยหลุดแล้วใช้ใจที่สบายอย่างนี้นะเห็นตัวนี้หายใจเห็นร่างกายหายใจนะอย่าไปจ้องลมนะ่ะเห็นร่างกายหายใจพระเจ้าไม่ได้บอกให้จ้องลมนะ่ะบอกพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บัลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาว รู้ว่าอะไรหายใจออกยาวรู้ว่าร่างกายนี่หายใจออกถ่าไม่ได้บอกให้รู้ลมหายใจสัหน่ยอยสุดท้ายก็จะรู้ทั่วถึงกล่องลมบอกเราจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงกล่องลมอะไรเป็นกลองลมไอตัวนี้ทั้งตัวนี้แหละกองลมแล้วใครเป็นผู้รู้กลองลมก็จิตเป็นผู้รู้สิหรวงพ่อแ ล, แล้วเวลาที่หนูแยกกายบางครั้งเหมือนก็คือถ้าเวลาเราขับรถไมถึงขับอตไซค์ือหนูจะแยกเห็นเลยว่า ถ้าเกิดจิตรวมนะรถนะทับตายไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่คือเวลาขับไปก็จะมีสติอยู่ค่ะหลวงพอ่อแต่จะเห็นว่ากายก็คือเคลื่อนไปและจิตก็ดูประมาณนี้ได้ไหมคะตรงจิตที่เป็นคนดูเนี่ยต้องดูสบายๆนะคะถ้าจิตที่เป็นตัวดูแข็งๆเนี่ยแสดงว่าติดสมถะอยู่เป็นตัวรู้ที่ไม่ดีตัวรู้ที่ดีนะเบานะว่องไวนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตตัวรู้ทื่อๆเนี่ยขับรถรู้ตลอดเลยเดี่ยวซ้ายแลขวารู้ แต่บรรใจมันทื่อๆ อ, อยู่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวรู้ที่ดีเลยค่ะเออไปเลิกซะค่ะหลวงพ่อเรามีอีกอันนึงค่ะคือถ้าเวลาเราสวดมนต์ตอนหมายถึงตอนอย่างอย่างเนี้ยนะคะคือจะเห็นแบบว่าดูเวลาสวดก็จะเห็นคือจิตสังขารมันก็จะปรุงมันอย่างเนี้ยมันมันแยกลักษ <c oughs> นาว่าเรียกว่าแยกไหมเจ้าค่ะเออแยกอของโยมนะขันมันก็พอแยกแล้วนะค่ะแต่จุดสําคัญก็คือมันไปรักษาตัวรู้ไว้นิ่งเกินไปอ๋อค่ะค่ะปล่อยบ้างเออปล่อยอย่างนี้ จิตต้องไปอย่างนี้นะรู้สึกไหมไม่เหมือนกันสบายว่าวันตั้งเจ็ดชั่วโคตรเลยคมีอันหนึ่งจะจำที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้ให้รักษาศีลห้าแล้วก็มีสติอืแล้วก็ด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางจิตอย่างนี้ตลอดเลยค่ะเนี่ยจิตอย่างนี้แหละถึงจะจิตตั้งมั่นไอ้จิตอย่างงี้ไม่ใช่หรอกไอ้นี่เรียกจิตตั้งทื่อขอหลวงพ่อกาบขอพระครูอย่างสูงเทอคนั้ โน่นกราบอุปชาหลวงพ่อท่านไม่บวชให้หลวงพ่อก็ไม่ได้บวชกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเขาโอกาสส่งกันบ้านค่ะครั้งนี้ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูความมุดอิดค่ะก็เห็นไหมเราชี้โอโหทราบค่ะพอไปดูก็เห็นพอเหลียวไปมองก็จะเห็นแต่ความมุดอิดตลอดเวลาใช่ใช่ไม่งั้นไม่ให้ดูหรอก หนูดูไว้นะมันจะได้ไม่ต้องตกนรกเวลาที่เราหงุดหงิดเนี่ยจิตไม่มีความสุขนะจิตเราตกนรกเรียบร้อยแล้วตอนนั้นมันจะคุ้นเคยกับนรกนะเราพยายามมีสตินะให้มันคุ้นเคยกับการมีสติรู้ทันว่ามันหงุดหงิดรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไปตั้เยอะรู้สึกค่ะมันโปร่งโล่งเบาขึ้นนะแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวมันเห็นในความหงุดหงิดแก่จิตนะมันควรละอันกันใช่ค่ะใช่ไหม เห็นแล้วก็เห็นแล้วล่ะว่าร่างกายกับจิตเก็คนละอันเห็นไหมขันแมันแยกได้แล้วล่ะเนี่ยลูกศิษย์ที่ดีครูบาอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําไปนะไม่ดื้อ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวมันก็พัฒนาหรอกแล้วมีกันบ้านอีกอย่างหนึ่งอยากจะส่งหลวงพ่อคะ่ะคื อ, อได้มีโอกาสเมื่อเดือนมีนาไปไปดูเวทนาทางกายนะคะ <S <S แล้วก็ดูไปก็มันก็มันก็เห็นเกิดดับเกิดดับในร่างกายที่บ้านเราไม่มีเวทนาทางกายให้ดูเหรอ ไม่ต้องไปดูที่อื่น <c oughs> <c oughs> คือเหมือนมันมันเป็นเ <c oughs> ใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนเราต้องพอนาที่นั่นให้ได้นะค่ะเออไม่ใช่พอนาได้ตอนไตวัดนะเวทนาทางกายตอนนี้ก็มีเราก็ดูไปมันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแยกออกแล้วสิ <คะ S 2> กายก็ส่วนกายเวทนาก็ส่วนเวทนาจิตก็ส่วนจิตนะค่ะแล้วหนูอย่าถามเลยหนูทําเป็นแล้ว<อ>ให้เขาหนึ่งรับหนูหนูมีคําถามงั้นไม่ไม่ไม่ส่งกันบ้านก็ได้ค่ะขอถาม หนูหนูเห็นเวลาที่สัญญามันมันผุดขึ้นมานะคะหนูจะเห็นความบีบเค้นที่อกอะคะ่ะใช่แล้วสัญญาผุดเนี่ยยังไม่บีบสังขารปลุงนะถึงจะบีบ เ, เมื่อก่อนจะเห็นสัญญาแล้วก็ถึงจะเห็นบีบคราวนี้พอเหลียวเข้าไปดูมันก็จะบีบทุกครั้งตลอดเวลาะคะ่ะเพราะว่าจริงๆนะวัตตะเนี่ยหมุนติ้วติว ต, ติอยู่ตัวนี้นะน่าจะไปปัญญาแก่รอบขึ้นนะ่จะเห็นแต่ทุกนะ หนูก็รู้สึกทุกข์อะค่ ะ, คะจะเห็นทุกข์ตลอดวันตลอดคืนเลยจนกระทั่งเหนื่อยมากเลยพอเหนื่อยมากเนี่ยทําความสงบไหมพุโทโธพุโทโธหรือหายใจไปนะให้ใจได้พักผ่อนให้ใจได้พักผ่อนแล้วย้อนมาดูใหม่<ะ>ไม่หายหรอกจนกว่าะจะเป็นพระอราหันต์หนูเห็นมันมันมันจนรู้สึกว่าก็คงจะต้องอยู่กับมันไปตลอดใช่ใช่ตัวเนี้ยที่หลวงปู่ดูลเรียกว่ารูปปรมณูมันหมุนอยู่นี่นะ เหมือนปรมานูนะแต่มันมันเป็นความทุกข์ใช่ไหมคะใช่ทุกข์รวนรุนเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแล้วหนูไม่ต้องทำอะไรจะดูรู้สึกไหมมันกลุ่มลวงปู่ดูเรียกรูปปรมานูกลุ่มภาษาท่านนะเนาะที่จริงก็คือตัวสังขารนั่นแหละสังขารละเอียดก็ให้ดูต่อไปใช่ไหมคะดูได้ใจที่เป็นกลางถ้าดูแล้วโทสะขึ้นได้รู้ว่าโทสะขึ้น เมื่อก่อนขึ้นค่ะอยากพยายามที่จะให้มันหายไม่หา ย, หายจนเป็นพระอรหันต์ถึงจะหายจนปัญญาที่จะหายเนี่ยมันจะเคลื่อนอยู่ภายในที่หลวงปู่ดินบอกอ่ะจิตหนึ่งจิตพระอรหันตนะ์น่ะภายนอกไม่มีรูปรักษ์ไม่มีร่างกายนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีตัวตนภายในไม่มีความเคลื่อนไหวจิตของเราเคลื่อนไหวตลอดเลยนั่นจะเป็นพระอรหันต์ดอกถึงจะหายเพราะงั้นทุกไปก่อนรู้ทุกแจ่มแจ้งถึงจะเห็นธรรม หลวงพ่อมีอะไรแนะนำหเอนี่แนะตงงนทตั้งเยอะแล้ว <c oughs> ไปถามเอากลับ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะนรรการค่ะก็คือฟังซีดีของหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อประมาณช่วงวันวิสาขะที่ผ่านมานะคะประมาณเดือนกว่ากว่าเออสังเกตไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหม ถ้าคนฟังซีดีหลวงพ่อนะตั้งใจฟังจริงๆเดือนหนึ่งสองเดือนก็เปลี่ยนแล้วละเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนจริงๆนะมีของจริงนะธรรมะไม่ใช่ปรัชญาพูดเลื่อนๆลอยๆเพื่อเจ้อไม่ใช่เลยเดือนหนึ่งสองเดือนก็พอเป็ี่ยนออก็อเดือนกว่าๆที่ขันมันแยกแล้วขันมันแยกได้พูดพูดต่างๆพูดเบาไปหลวงพ่อไม่ได้ยินเลยพูดสะเองเลยขออนุญาต แบบนี้นะคะเกลัวกลัวจะถามไม่ได้ค่ะอคือตอนแรกก็คือคือฟังฟังซีดีไปประมาณเดือนกวักกว่าก็มันมีอะไรที่สงสัยอยู่ในใจค่ะก็พอฟังซีดีแล้วรู้สึกว่าเหมือนท่านมาตอบโจทย์ในในความรู้สึกที่สงสัยอยู่อ่าพอดีคือมีอยู่ช่วงช่วงปีห้าหนึ่งอะค่ะคือป่วยป่วยหนัก เสร็จแล้วก็แบบคือคิดว่าเหมือนตัวเองจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กําหนดสมาธิไปอะไรเสร็จแล้วเมื่อก่อนน้นเนี้ยคือจะเป็นลักษณะของเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากกว่าที่จะนั่งสมาธิอพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือทําสมาธิตอนที่เหมือนใจจะขาดไปอะค่ะเสร็จแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี้ยการที่เราอ่านหนังสือเยอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็เลยตัดสินใจที่จะมาปฏิบัติสมาธิ อ, อ่ะค่ะ แต่ว่าก็คืออยากหาครูบาอาจารย์ที่<อ>ที่รู้เยอะๆนะเดี๋ยวหนูเล่ายาวไปเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ถามค่ะจะถามว่ า, ามีมีช่วงที่คิดตรงนี้แล้วก็ก็นั่งสมาธิโดยการที่กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเมื่อก่อนเคยพุโทโธแล้วคิดว่าตอนที่เราหอบเหนื่อยมากๆเนี่ยคือมันพุโทโธพุโทโธแล้วมันเรือมันมันไม่ทันก็คิดว่าจะกําหนดตามลมหายใจเข้าออกอเสร็จแล้วพอมีอยู่วันเนาค่ะทําสมาธิเสร็จ เสร็จแล้วหันหลังกลับไปแล้วเหมือนเหมือนเรามองเห็นว่าเราเหมือนกับว่ามีแขนกับมือไปหยิบไม้แผ่นเสื้อเออไม่ใช่เราเลยรู้อเฉยๆอย่างนี้คือกายแยกออกจากจิตใช่พระพุทธเจ้าบอกงนี้นะว่าปุถุชนที่ไม่ได้สระดังอย่างคนาศาสนาอื่นนะก็เห็นได้แบบเนี้ยว่ากายไม่ใช่เรานะแต่ว่าจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยต้องอยู่ในคําสอนของท่าน เพราเราภาวนานะเพระจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันจะรู้สึกว่าร่างกายบางทีเห็นเป็นท่อนๆ น, นะแต่ ม, มากถ้าทําอะไรอยู่ก็จะเห็นมือไม่รู้มือใครขึ้นมานะแต่เห็นแวบเดียวครับประมาณหนึ่งถึงสองวินาทีแล้ว<ป>ตกวใจไหมรู้สึกคือตอนนั้นเห็นนะไม่รู้สึกอะไรแต่พอหลังจากพอกลับมาเห็นปกติแล้วเนี่ยรู้สึกแปลกใจอแต่ก็ยังหาคาําตอบไม่ได้นั่นแหละมันเป็นเรื่องของสมาธินะเราไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงได้แต่งเราเป็นตัวรู้ขึ้นมาเนร่างกายไม่เป็นเราแล้ว แต่จิตมันเป็นเราเราเป็นคนดูต้องฝึก อ, อีกเสร็จแล้วเขาพอเอ่อหลังจากนั้นก็ได้นั่งสมาธิเอ่อเขาเรยนนะกำหนดจิตอยู่ในอารมณ์เดียวค่ะคือน่าจะเป็นลักษณะสมถธประมาณสี่ปีเสร็จแล้วก็ป่วยหนักอีกคือจะป่วยป่วยบ่อยมากเป็นคนที่ป่วยบ่อยเสร็จแล้วก็ป่วยหนักก็คือตอนหายใจค่ะก็คือมีความรู้สึกแตกต่างระหว่างที่เราเคยเป็นครั้งแรกกับครั้งที่สอง ก็สงสัยมาสักช่วงหนึ่งก็มีโอกาสได้ฟังซีดีของหลวงพ่อพุธเมื่อเมื่อวันวิสาขาปีปีนู้นค่ะก็ก็เออรู้สึกว่าท่านท่านก็วิสาขาครั้งหนึ่งฟังซีดีทีหนึ่งเหมือนก็คือก็ท่านก็รู้สึกศรัทธาท่านมากค่ะก็พยายามปฏิบัติแบบเต็มที่เลยคือทีวีไม่ดูอ่าคือฟังซีดีท่านอย่างเดียวแล้วก็แบบค่ะเอ่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิด มีสติไหมก็ทําจริงๆแบบสามวันค่ ะ, ะแบบศรัทธาวิริยะอะไรที่มันมีห้าตัวเนี่ยค่ะก็ทําไปเสร็จแล้วมีวันหนึ่งเหนื่อยมากทํางานเหนื่อยมากก็เดินจมกลมนั่งสมาธิเสร็จเสร็จแล้วพอล้มตัวลงไปนอนปุ๊บก็ฝันฝันว่าเหมือนเหมือนมันมันพุโทโธพุโทโธแล้วมันเร็วเรวปกติหนูจะพุโทโธช้าๆพุโทโธแต่อันนั้นมันพุโทโธพุทธโธพุทธโธแล้วมันเร็วมากแล้วมันคุมไม่ได้อืแต่ว่าพอตื่นขึ้นมา ก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ทั้งคืนสงสัยจะทำงานไม่ได้แต่ก็สามารถทำงานได้ตามปกติค่ะทำไมล่ะเราจะถามอะไรก็จะถามว่าอย่างนี้คือ <c oughs> คือเราเห็นความเกิดดับใช่ไหมคะไม่ใช่ไ ม, ไม่เป็นเรื่องของสมาธินะจิตมันแสดงให้ดูต่อไป หนูอย่าติแต่สมาธินะเดี๋ยวดีวหนูรบกวนถามนิดนึงนะคะหนูย า, ยาวๆนั่งนะไม่ไม่ยาวค่ ะ, ะคือจะถามว่าคือปกติเนี่ยหนูเป็นคนที่เมีโทสะเยอะคือมีโทสะหลายๆอย่างเป็นคนคิดมากเสร็จแล้วคือไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องออทําจิตแบบไห น, นะคะ่ะหมายถึงว่าดูกายดูจิตดูดูดูจิตไปดูจิตไปนะเพราะเราดูจิตได้ชัด โทสนะนี่เป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดนะโทสาพุดขึ้นมาไม่ใช่ดูเพื่อให้หายนะแต่ดูให้เห็นนะมันเป็นเองเราบังคับไม่ได้คือคือถ้าเราดูแบบคือเรากําหนดจิตธรรมดาว่าผู้ทโทงไม่เอากําหนดอย่างนี้ไม่เอากำหนดอย่างนี้ละผิดอยู่ตัวรู้เนี่ยแข็งแข็งไปตัวรู้ไม่เป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้สมาธิที่ถูกนะต้องปล่อยการเพ่งตัวนี้ลงไปนะใจจะหนักไป อีกอันนึ่งนะคะคือนั่งสมาธิเนี่ยเวลากําหนดเนี่ยค่ะคือไม่รู้ว่าจะต้องกําหนดหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าเขาหนูนะจะบอกให้หนูจะต้องฝึกให้ได้ตัวรู้ให้ได้นะตัวนี้หนูยังเพ่งอยู่ตัวรู้ขอ ง, นงหนูเนี่ยแข็งไปมันเป็นตัวรู้ที่บังคับไว้ก็เป็นตัวรู้ที่สบายๆนะหายใจสิหายใจยังมีความเออจิตต้องอย่างนี้ตรงนี้ไม่ใช่อีกแล้ว เห็นไหมมันเคยชินที่จะเข้าไปล็อกอกล่าวมาสการหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านครั้งแรกคะ่ะคือหนูส่งกรรมฐ า, านเนี่ยนะไม่ต้องยาวหรอกสั้นๆก็พอเอาว่ามามีปัญหาอะไรก็อยากถามหลวงพ่อว่าที่ทำถูกไหมคะถูกสิถ้าไม่ทำไม่ถูกหรอกไม่รู้ว่าเห็นกิเลสไหม เห็นค่ะเห็นแล้วมันก็ดับพอรู้แล้วมันก็หายไปเออนั่นแหละทำถูกแล้วภาวนาเป็นเนี่ยนะไม่ใช่เห็นผีเห็นสางหรอกนะภาวนาเป็นให้เห็นกิเลสเห็นกิเลสเกิดขึ้นกิเลสดับไปนะดีอินูนี่อย่าเสียใจนานปล่อยให้ความเสียใจครอบงำจิตแล้วดูออกไหมใจสร้าหมองไม่ดีรู้เข้าไปเลยครูบาาจานยะาเมตตาทางนั้นแหละ แต่ว่าจะต้องการให้เราได้แก่นของการปฏิบัติไม่งั้นหนูจะวนเวียนอยู่กับปรากฏการของจิตปรากฏการของจิตเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะะต้องรู้เท่าทันจิตจริงๆจิตขณะนี้ถูกอารมณ์ครอบง า, มมรนนะางเรารู้ทันนะจิตขณะนี้เราบังคับเอาไว้แข็งๆเรารู้ทันนี้ยตอนนี้รวบเข้ามาลนะรวบปึ๊บเข้ามาอย่างเงี้ยรู้สึกไหมมันจะแน่นขึ้นมานะปล่อยออกไปค่ะ หนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูจะทําแบบนี้ตอบในรูปแบบแบบนี้ต่อไปหรือว่าจะให้หนูดูจิตดูอะไรนะดูดูจิตหรือดูจิตได้ก็ดูจิตสิสอนแล้วนี่ดูจิตไม่ได้ถึงจะดูกายบางทีหนูก็ดูจิตบางทีหนูก็ดูกายค่ะใช้ได้แต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันมันถูกต้องไหมเวลาหนูทำดูจิตด้วยนะถ้าเราเห็นจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วอยู่นะใช้ได้ แต่ถ้าดูจิตแล้วมันนิ่งๆอย่อย่างเงี้ยไม่กำกระดุกระดิกนะก็ามาดูกายนะถ้าดูกา ย, กายเาไม่รู้เรื่องแล้วมั่วไปหมดแล้วก พ, พุทโธพุทโ ธ, ทธไปทาสมถะนี่จิตออกนอกอีนูเนียจิตมันไหลไปรู้สึกไหมมันไหลไปไหลไิคิดให้รู้ทันมันจิตมันไหลก็รู้เอานะคนทเรียนกับหลวงพ่อเนียต้องทนหน่อยนะหลวงพ่อรักลูกศิษย์อะ อยากให้ดีจริงๆเลยไม่ยอมประคบประงมนะทําแบบนี้ต่อไปใช่ไหมคะหลวงปู่ฟุ้งไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นทําในรูปแบบด้วยนะเพราะว่าหนูตื่นเต้นครับเออต้องตัววันทําในรูปแบบนะสมาธิจะได้เกิดมัศการครับหลวงพ่อครับคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดูจิตที่ไหลไปคิดแล้วก็ทัวรกูเก่งครับอืมอเห็นไหมก็เห็นครับเห็นว่ามันจะเกิดได้รู้สึกว่ามันเกิดได้ทีขึ้นออืแล้วก็ มันจะแยกออกไปต่างหากครับเออคือแต่ก่อนมันก็เกิดนะแต่เราไม่เห็นพอมันไม่เห็นเนี่ยมันครอบงําเรามันกลายเป็นหางการกูแน่มากอะไรเงี้บนี่ต่อไปนี้เห็นเราเห็นมันจะดับนะแล้วมันจะนุ่มนวลมันจะอ่อนโยนใช่ไหมคนจะรักเรามากกว่าเก่าครับระวังสาวๆมาจีบนะขอการบ้านขอเพิ่มเติมครับทาถูกแล้วล่ะทําถูกแล้วทําให้สม่ําเสมอทําให้มาก เน่ยกมือขึ้นเก่าแล้วขาดสติราดนมัสการครับส่งการบ้านหลวงพ่อข่าวก่อนหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ไหลแวบไปคิดไหลแวบไปคิดผมมาทําในรูปแบบก็บริกรรมแต่มันไม่ค่อยไหลครับมันดีกว่าแต่กอดแล้วล่ะชีแตแจอยู่กับเนื้อก็ตัวแต่ถ้าปล่อยปล่อยมันไปเลยมันมันจะไหลมันไหลนานครับงานบริกรรมนะแต่ไม่ไม่บังคับจิต พุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตไหลแล้วรู้ไม่ใช่พุโทโธเราห้ามไหลอย่างนี้ห้ามไหลอย่างนี้แน่นไป น, นี่เปเพ่งเ พ, งเพ่งไปเพ่งไปแล้วปล่อยถ้าจิตเพ่งเนี่ยจะไม่เดินปัญญานะงั้นหลวงพ่อถือต้องมาเล่นงานหนูมากหน่อยนะอย่างนี้ยพรมันติดเพ่งมันจะไม่เดินปัญญาหรอกต้องทนนะใครทนได้จะได้แก่นทนไม่ได้ก็ฟอ่อไปเลยอดทนไหมช่วงนี้มีอะไรที่ต้องแก้ไขไดีขึ้นแล้วละ่ะ ดีขึ้นแลไปทําอีกแล้วคอยรู้ทันกิเลสนะต่อไปกูก็จะเก่งอีกคนหนึ่งแล้วล่ะขอบคุณครับกราบนมรรสการหลวงพ่อค่ะนุคคคคเคยมีโอกาสส่งการบ้านเปนครั้งแรกค่ะคือคือก่อนหน้านี้ก่อนที่หนูจะได้ไอฟังซีดีหลวงพ่อค่ะหนูจะเป็นคนที่ขี้งุหงิดง่ายโมโหง่ายแต่แต่ว่าพอหลังจากที่ฟังแล้วก็เริ่มรู้ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเริ่มรู้ตัวเองแล้วก็หยุดนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เร า, าเราไม่ได้นนอนิ่งเนี่ยนะแต่เราเห็นว่ามันเป็นเองรู้สึกไหมฟุ้งก็ฟุ้งได้เองนะโกรธก็โกรธได้เองแล้วก็โกรธก็อยู่ชั่วคราแล้วก็หายไปใช้ได้แล้วละค่อยๆดูไปนะแต่ใจมันยังฟุ้งเก่งไปหน่อยเองทำในรูปแบบทุกวันนะไมวพาสวดมน์ก็จะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ทำไปแต่พุโทโธแล้วหายใจนะก็คอยรู้ทันจิตไหม พุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้นะเป็นอย่างนี้นะสมาธิยังไม่พอ้นีน่ไหลไปเพ่งอีกแล้วน้มรสการค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดประคองก็ก็กเท่าสังเไหมล่ะมันไม่เหมือนเดิมแ ต, แต่มันยังมันยังมีบ้างค่ะยังอดรักษาไว้ไม่ได้ค่ะเพราะมั น, ม, นมันกลัว ไ, ไม่ดี <laughs> แล้วหลวงพ่อตอนเนี้ย ฟุ้งมากคือตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกตัวปั๊บจิตจะปรุงอกุศลทันทีเลยค่ะแล้วมันแย่ตรงที่พอปรุงแล้วมันจิตมันชอบไม่แล้วก็เป็นทุกข์กับมันที่เราบบว่าจิตมันไปชอบอกุศล น, นะคะหลวพ่อ พ, อพุทธท่านสอนอย่างนี้นะท่านบอกว่าจิตที่เจริญปัญญากับจิตฟุ้งซ่านเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นจิตมันฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินี่คนทั่วไปจิตฟุ้งซ่านแล้วไม่มีสติมันคือฟุ้งซ่าน เราเราเห็นจิตมันทำงานได้เองนะเรามีสติตามรู้ไปนั่นคือการเจริญปัญญานะแล้วความจริงก็คือวันวันหนึ่งเนียปรุงอากุสลมากมายเลยนั่นแหละคือความจริงละใช่ค่ะอย่าไปกลัวมันอ๋อแต่มันก็ทุกข์กับทุกข์กับมันะค่ะมีความรู้สึกมันกับว่าภาวนาไม่ได้เราอยากให้มันดีให้รู้ทันใจที่อยากเลยใจที่ไม่ยอมรับสิ่งที่มันเป็นนะแล้วถ้าอยากช่วยมันหน่อยนะสวดมนต์บ่อย เจริญเมตตาไว้บางทีพลังงานที่เร็วๆนัมันแกล้งเรานะมันกระตุ้นเราไม่ใช่ของเราหรอกไอ้ที่ชั่วๆนั้นอ่ะมันมาจากข้างนอกค่ะบางทีมีความรู้สึกว่าชาติก่อนไม่รู้เราทําความชั่วอะไรมามากมายหรือเปล่าพิกมันปรุงแต่ถึงไม่ดีค่ะพวกมารมันกระตุ้นให้เราคิดไม่ดีบางทีให้ด่าพระพุทธเจ้าที่ให้ด่าครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยลูกศิษย์อยู่ๆจิตจะฝุดด่าหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากเลย เพราะว่ามารกลัวมากเลยว่าเราจะบรรลุมรรคผลกันหมดมันจะต้องถ่วงเราเพราะงั้จะไปกลัวมันมารเข้าส่วนมารงั้นเราดูไปว่านี่มารมันบอกให้ปลุมชั่วเราก็แค่รู้นะรู้ด้วยความเป็นกลางส่วนมน์เจริญเมตตาไปนะพลังชั่วๆก็จะอ่อนแรงลงไปค่ะค่ะตกลงทำ ทำถูกแล้วทำดีด้วยค่ะหลวงพ่อคะเอ่อบุญกุศลที่ได้ทำมาตลอดนะครับทานศีลภาวนาแม้จะเล็กน้อยอขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วขอถวายหลวงพ่อเป็นอาจารยอิยบูชาสาธุอย่างนี้ชอบนะชอบให้ลูกศิษย์ภาวนามาส ก, การค่ะหลวงพ่อก่อนอื่นหนูขอถวาย ผลการปฏิบัติให้หลวงพ่อเป็นพุทธบูชาและอาเจียบูชาเออนะสาธุแล้วให้คุณแม่ชีด้วยค่ะอืคือก่อนหน้านี้ก็คือคุณแม่แนะนําให้หนูไปบริกรรมค่ะแล้วก็ระหว่างวันที่นึกได้ก็จะบริกรรมแล้วก็ดูดูใจแต่ว่าแต่ว่าจริงๆหนูไม่ได้ชอบบริกรรมค่ะแล้วก็แล้วก็ดูใจที่ไม่ชอบไปค่ะรู้สึกว่าเห็นสภาวะได้มนัเห็นสภาวะได้ชัดขึ้นแล้วล่ะ ฉันทําตอบไปอย่างเดิมนี้แหละบริกรรมไปพอมันเห็นสภาวะได้ก็ดีแล้วละ่ะไม่มีใครสอนกรรมฐานเรานะสภาวะสอนกรรมฐานเราบางทีเห็นความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ข้างในค่ะหนูไม่มีมมมคำพูดค่ะมันไม่มีชื่อหรอกพอมันถึงขั้นละเอียดนะมันไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายไปคือหนูก็ดูไป นุ้ยเห็นไหมว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเราต้องการเห็นแค่นี้แหละเราไม่ได้ต้องการรู้ว่าไอ้นี่มันชื่ออะไรไม่จําเป็นนะมีอะไรต้องปรับไหมคะหลวงพ่อตอนนี้จิตมันมีพลังในการดูสภาวะแล้วดูไปบ่อยๆบริกรรมไปบริกรมรมแล้วก็รู้ทันจิตบริกรมรมแล้วรู้ทันจิตไปกรรมในวัสการเจ้าข่าหลวงพ่ อ, อขอการบ้านค่ะเอาเลยเหรอ รู้สึกตัวบ่อยๆใจลอยอย่าให้ใจลอยนานเอาหนูรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะ <MR. S 2> มันรักสวยรักงามมาก <MR. S 2> ดูกร่างกายกระดุกกระดิกนะคอยรู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกคอยรู้สึกนะพี่ทําอยู่ถูกอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ถูกตอนนี้เพี่ง <MR. S 2> แต่ที่ทําอยู่ก็พอใช้ได้นะแต่จิตมันไม่เข้าบ้านจิตมันยืดกระจายออกไปข้างนอกหน่อยๆ <MR. S 2> ให้รู้ทันไหมจิตมาออกนอกรู้สึกไหมจิตมันไม่เข้ามาคเจ้าค่ะ จิตไปกระจายโล่งว่างออกไปข้าง น, นอกนะใม่กลับมาที่ร่างกายเลยดูจิตไม่ได้มันออกนอกไปแล้วมาดูกายไปอขอบพระคุณเจ้าค่ะกาลมัสการหลวงพ่อค่ะเคย ฟ, ฟังซีดีหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งค่ะก็เลยลองปฏิบัติคือฝึกรู้จิตบางทีก็รู้ทานบางทีก็นานๆทีรู้ค่ะ แต่ว่าเวลานั่งสมาธินี่คือบางทีก็นิ่งก็คือไม่ไม่ค่อยชอบอะค่ะบางทีก็ฟุ้งไปก็เลยนั่งก็เลยเลิกทำอะค่ะฮะนิ่งก็ไม่ชอบลุงก็ไม่เอาเหมือนมันอึดอัดอะไรประมาณออนี้ค่ะเวลาหนูภาวนาหนอย่าไปบังคับตัวเองนะถ้าบังคับอย่างบังคับก็ต้องรู้สึกตลอดเวลาเขาจะอึอดอัดบังคับว่าต้องดีต้องสงบก็จะอึอดอัดให้รู้อย่างที่มันเป็น จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ถ้ามันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันเข้าไปอีกนะมีความสุขแล้วพอใจรู้ว่าพอใจมีความทุกข์แล้วไม่พอใจรูนะ้ว่าไม่พอใจกรรมธรรสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคือหนูเวลาจะรู้สึกเวลาฟังซีดีหลวงพ่อจะชอบฟังก่อนนอนเงี้ยคะ่ะจะรู้สึกว่าจิต ไม่ให้ไม่ให้ร่างกายนอนนะคะรู้สึกว่าอยากตื่นตลอดเวลาค่ะเวลาฟังถือเวลานอนก็นอนไปบ้างนะไม่ต้องตื่นตลอดเวลาหรอกแล้วเหมือนเหมือนจิตมันรังแกร่างกายอะค่ะฟังให้มันนอนไปให้ร่างกายมันหลับนะจิตมันตื่นนะมันทําได้มันจะเห็นร่างกายนอนกลนครอกๆเลยนะจิตมันเป็นคนดูเฉยๆนะมันแยกออกจากกันนะร่างกายนะให้มันหลับไป ผมได้ขวดสุดท้ายแล้วนะเกา่าในวัสการครับหลวงพ่ อ, อมาถวายการบ้านครับรอบที่แล้วที่หลวงพ่อเมตตาให้ไปดูกายให้มากขึ้นแล้วจะเห็นจิตแล้วมีกําลังก็จะรู้สุขสุขทุกข์ดีชั่วครับตอนนี้ก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราบ่อยขึ้นดีส่วนจิตนี้เริ่มเห็นเป็นเราขึ้นมาแล้วครับเออดีแล้วลนะ่ะแต่ว่าการปฏิบัตแิและการวิธปฏิบัติเริ่มเข้าไปในสู่ชีวิตประจําวันได้มากใช่ได้แล้วล่ะครับใช่เขียนแม่ใจเราเปลี่ยนไปแล้วสบายมันนิดเดียวเอง เออนั่นแหละทำไปเถอะนิดนึงก็วิเศษนักงนานแล้วแล้วแถ<า>มมีอีกคนนึ่งอุตสาห์มาจากมหาสารคามน้ัสการหลวงพ่อครับผมจิตมีกําลังขึ้นแล้วครับแต่ยังออกนอกอยู่ครับผมออรู้ว่าออกนอกก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ อ, อมีกําลังขึ้นแล้วก็มัวน้อยลงครับผมศีลดีขึ้นครับผมมัวมากมัวน้อยไม่สําคัญหรอก มัวแล้วก็รู้ว่ามัวมัวแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบสว่างขึ้นมารู้ว่าสว่างสว่างแล้วชอบรู้ว่าชอบนะเปลือกเปลือกน้อยลงแล้วครับผมดีครับแล้วก็ดูตรงไปตรงมามากขึ้นครับผมหลงข้อครับสมถานี่ผมยังไม่ชนานาญครับผมต้องทำยังไงดีครัสมถาต้องทำสบายใจเคล็ดลับของการทำสมถานะรรนเรารู้อะไรแล้วสบายใจ อ, อนั่นแหละมีไหม นี่ไม่ใช่สบายใจใช่ครับอันนี้นเปลง<อ>่งพอเริ่มแล้วบังคับใจครับมไม่บังคับนะครับรู้เล่นๆนี่ยยเทําสบายใจทำสมาธิแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นใช่ไหมครับครับผมให้คนขอนแก่นบ้างอุตส่ามาไกลกล่าวนามนสการค่ะเอาผลการปฏิบัติมาถวายค่ะหลวงพ่ อ, อ, อห น, หนูหนูว่าหนูดีขึ้นค่ะถูกคือ มันแยกกายแยกอะไรมันชัดเจนขึ้นค่ะขนาดตอนนี้ง่วงนะตอนนี้เริ่มง่ว<ะ>งแล้วมันยังแยกอยู่เลยคงนั่งรถมาไกลอะค่ะถูกแล้วลใช้ได้แล้วละจิตมีแรงขึ้นมาลนะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหลวงพอ่ออย่าใจร้อนกันแล้วกันจะเอาเร็วใช่ค่ะ <laughs> ใช่ไม่หลอกหรอก <laughs> มันมันล้าหน้านิดนึงใช่ไหมคะหลวงพอ่อ ต้องยังไงอะคะมันไม่ทันนะคะใจกล้ากล้าหน่อยอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วสองสว<อ>ัน<ะ>มา น, นี้หนูฟังเทศของหลวงพ่อหนูจ ะ, ะเรื่องที่แบบว่าอ่าสันโดษนะคะอพอพอจะเข้าใจแล้วมันก็มันก็โลโลโลงมาหน่อยอะคะ่ะแต่ว่าพอมันไม่นั่นแล้วมันก็ถ้าเรายุ่งกับคนอื่นเยอะนะภาวนายากแต่ว่าไม่ยุ่งเลยเขาไม่ได้มีหน้าที่อย่างการที่เราจัด คอร์สจัดเลยนะเป็นการทำประโยชน์แั่ส่วนรวมรมันก็เสริมบารมีเรานะแต่ต้องทำเป็นครั้งคราวทำตลอดเวลาเราจะไม่ได้ภาวนาค่ะหลวงพ่อเอาละพอสมควรนะกล่าวนามสการค่ะ